ร่วมหมอกสลายที่ปลายฟ้าไทองค์วรการปลายฟ้าเป็นชื่อของ ด้วยกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนให้เข้มแข็งมีชีวิตครอบครัว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 หมอกสลายที่ปลายฟ้าสลาย 20 ความเดิมตอน 2 ก็ปรับความเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปใจหมอกสลายที่ปลายฟ้าได้ โอเคแม่ไม่เป็นยังไงถูกจริงตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกๆทางนี้อ่ะไม่มี พวกที่ใช้วิธีลอบยิง พอผมได้รับๆ คนจนไม่หวังผลสักเท่าไหร่แต่ที่สําคัญก็คือ ชัยชนะๆ แล้วครูใหญ่จะอยู่ที่นี่ทั้งคืนก็ยิ่งหมอหมอคงจะต้องระวัง มันอันตรายมากเกินไปอันตรายถ้าจะนอนเกินไปหวั่นใจคอไม่ค่อยดีแล้วก็ <ม? S 2> ย้าย บ้านเราก็มีหลายห้องไม่ต้องเกรงใจเออนั่น มันก็พอจะมีเค้าอยู่เหมือนกันนะไอ้พวก พวกมันก็จะยิ่งได้ใจแล้วอืมฉันก็ ก็มีอยู่ไม่กี่ แต่คนที่เห็นน่ะเขาจะคิดยังไงผมกับไอ้อึ๋ง เดี๋ยวคุยกันเสร็จแล้วขอภูมิตัวไว้ก่อนนะในฐานะผู้ แล้วมีพยานยืนยันที่อยู่ของนายอื่นกับนาย คืนมีคนมาตุ้มยิงคุณหมอกับป้าผู้แขก็ งั้นก็ไม่ใช่ 2 คนนั้นทำไมเปียกถึงคน 2 คนกว่า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 เพราะเสียก็ไม่ได้สั่งก็ไม่ได้สั่งถ้าอ่าอ้าวทําไมสี รอเล่นเท่านั้นแหละทําเป็นผมขอถามอะไรเสียได้ไหมครับหนวดกระดิกไปได้เดี๋ยวฉันไป มีหวังอัวเข้าๆเฮ้ยๆ ด้วยนะคะครูใหญ่ขอโทษผมอุ๊ยไม่ใช่ค่ะคนละเรื่องกันอืม ที่แท้ผู้หวังดีอยู่ตรงๆก่อนจะพูดแต่พอพูดไปแล้วเพราะก่อน คำรายคุณปลัดมาค่ะคิดว่าคงมาหาครูใหญ่ ให้เป็นจะเป็นผู้ต้องสงสัยที่เราให 2 10 คน 2 คน แล้วถ้าไม่ใช่เสียจิวนายไม่มองคนอื่นบ้างเลยหรือไงท่านเพราะหรือถ้าเป็นน้าผู้ใหญ่หมอดาวหวานมีปัญหากับ แต่ระวังตัวให้ดีหน่อยก็แล้วกันตัวอาจจะเป็นนายแทนคุณดี ยายแล้วเอ็งกลัวเรื่องไหนกลัวอะไรซิโห แล้วไม่มีเมียเลยจะตายได้ไงอ่ะไอ้แสนไอ้ หาเห็นมีอะไรมาอะจ๋อใสส่งรีบโอ้ใช่ จ๊ะมีคนมาหาหน้าตาดูดียังไงก็ไม่รู้แล้วยังพูด นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอ้วมมาหลายวันเสมออีลู ลือนี่รู้จะหา ทลายนายแพทย์บุญเรืองใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสร็จ สำนักงาน ป้. นามผู้แสดงบีดังต่อไปนี้อาทรภาธิพัฒนะทินดาเกียรติศิริเปรมกมลโชติกาสถีณธีระ และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนัฐฐานาษาควบคุมเสียงอาธรภาธิพัฒนะดินดาเกษรีควบ